เชยะถาปิพิโกเวนทีปาจีนะนินนาปาจีนะโปนาปาจีนะ ป, ปปาราตสามัเชทีโปปริเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปทางทิศตะวันออกตีตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวก็มีอยู่ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งการนับว่าสองกระแสก็มีอยู่มาตมัฟังในเวลาป็นยมสุดท้ายแห่งราตรี เมื่อเราลุกขึ้นมาแล้วมาทำสมาธิมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกในช่วงของจิตตะวิเวกในรายการธรรมรักรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับมูลนิติปัญญาปาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระ มหาไพบูุญอาพิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการเรามาพบกันทุกวันในวันังคารอย่างนี้เรามาฝึกปฏิบัติเรามาฝึกจิตเรามาทำจิตให้มีความสงบกันเรามาเริ่มกันเลยมาลุกขึ้นมาแล้วก็เอาหูของเรามาน้อมหูของเรา ฟังธรรมะเมื่อมีธรรมะเข้าสู่โสตประสาทคือผ่านทางประสาทหูจิตใจนั้นจะเกิดปัญญาเป็นแสงสว่างจิตใจนั้นจะมีความสงบระงับเย็นนุ่มนวลอยู่ในภายในแลามาเริ่มด้วยการตั้งสติของเราไว้สตินั้นเป็นอินทรีย์ จนเรียว่าสติอินซีอินรีย์คือสติอินรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่เราจะทําอะไรให้มันมีความสําคัญมีกําลังมีความยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เราต้องใส่ใจลงไปในสิ่งนั้นเวลาที่เราใส่ใจลงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมา นี่เป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของจิตใจเป็นธรรมชาติของโลกเป็นอย่างนี้เราสนใจใส่ใจสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังในที่นี้เราจะฝึกสติของเราให้มีกำลังเพื่อที่มันจะได้เกิดเป็นสมาธิได้จิตที่สงบระงับลงเราก็ต้องมีการทาจริงแ น, แน่จริง การทำจริงการแน่วแน่จริงการเอาจิตใจมาจดจอ่อมันต้องใช้กำลังทั้หั ง, งกำลังตรงนี้คือความเพียนกำลังที่เราใส่ลงไปความเพียนที่เราใส่ลงไ ป, าางไปการทำจริงแน่วแน่จริงที่เราใส่ลงไปซึ่งการทำความเพียนนี้เพื่อให้เกิดสติมันก็จะตรงข้ามกัน มันก็จะสวนกระแสกันกับที่จะให้เลิศเลินให้ลุ่มหลงให้เกิดความกำหนัดยินดีมันจะตรงข้ามกันคือลักษณะมันตรงข้ามกันเลยธรรมบวงลักษณะของการทำจริงนแน่จริงความที่ว่าจะมาจดจ่อในเรื่องใดการที่จะมาใส่ใจในจุดไหนมันตรงข้ามกันกันกบความที่จะ learn, <plus> learn, เลิศเลินอิเลกเกคา ลุ่มหลงเหลอเลอมันตรงข้ามกันโดยสิ้นเจิงเพราะนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งที่ตรงข้ามกันก็ร้อนหรือเย็นมีสูงก็มีต่ำถ้ามีความตั้งใจทำจริงมันก็ต้องแบบว่ามีเหลอเพลินรุ่มหลงเละแหลกไม่จริงใจมันตรงข้ามกันมันมีวิธีการที่เราจะให้เกิดสติได้ ใส่พลังใส่กำลังใจลงไปทำจริงลงไปนี่มันก็ต้องมีเทคนิควิธีนิดนึงเทคนิควิธีที่เราจะเอามาใช้เพื่อที่จะพัฒนากำลังของสติให้มีมากขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้หลายวิธีพระพระเจ้าก็เคยฝึกภาคัมภฟังทำในหลายๆวิธีกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาณาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นกายคาตาสติคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าจะเป็นสีลานุสติจาคานุสติอุปสมานุสติ ในวันนี้เราจะใช้วิธีที่เรียกว่าธรร ม, มานุสติคือการตามประดึกถึงธรรมะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศไว้อย่างดีแล้วดีในดียังไงดีในทั้งเบื้องต้นดีในทั้งท่ามกลางดีในทั้งที่สุด ีิตาปาเราจะเอามาพูดกันแล้วสิบตอนก็ไม่จบแต่มาฟังมันเยอะมากแต่จะขยายความคือเราละเอียดแบบนั้นอนะ่ะมันต้องคนที่สใส่ใจจริงๆไม่งั้นฟังมันก็จะเบื่อกันไปซะก่อนแต่ว่าเราเอาย่อๆง่ายๆเพื่อดีวาเราจะตั้งสติกันเอาไว้ได้คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรมาธรมดา แต่เป็นปัญญาอันยิ่งมีความเต็มเปี่ยมไม่ใช่เต็มธรรมดาธรรมดาแต่เต็มแล้วเต็มอีกเต็มมันยิ่งลึกล้ำไม่ใช่ลึกธรรมดาลึกลงไปแล้วก็ลึกลงไปอีกนี่เต็มแล้วก็เต็มขึ้นอีกละเอียดแล้วก็ยังละเอียดต่อไปอีกได้ใช้ปัญญาอันสูงส่งเราเอาแค่ส่วนเสี้ยวของตรงนั้นมานี่ยินอิเลย ธรรมะที่มีความดีมีคุณมากอย่างนี้เราเอามาตั้งเอามาประดิษฐานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงครรมะธรรมโมธรรมโมธรรมโมธรรมโมธรรมโ ม, โมนึกไว้ท่องไว้อยู่ในใจความระลึกนึกท่องได้อยู่ในใจนี้ ความระลึกนั้นน่นนะคือสติหรือว่าธมโมคำนี้นะเมื่อก่อนเราก็ยังใช้คําพุดโทเมื่อก่อนเรายังใช้คํำว่าสมาอรหังเมือวดีเราก็ใช้คำว่ายุบเนอพฟองเนอะเมื่อที่เราจะเอาคําพูดอะไรก็ได้เอาเอาสูตรคูณอนะ 7, 4, 25, เจ็ดสี่ย่สิเงี้ยคุณท่องดูจะเป็นคําพูดอะไรก็ได้จริงๆแล้วนะแต่ไอความระลึกถึง คำพูดนี้ได้นั่นนะ่ะความระลึกได้นั่นนะ่ะคือสติสติเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึง่งอย่าเพิ่งสับสนนะสติเป็นธรรมะอย่างหนึง่งใช่ไหมคาว่าธรมโมไม่ใช่สตินะแต่พอเรามาระลึกถึงคำว่าธัมโมความระลึกได้นั่นคือสติสตินั้นเป็นอะไรเป็นธรรมะอย่างหนึง่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วดีด้วย ธรรมที่ประกาศไว้ดีอย่างนี้เอามาตั้งไว้ในใจง่ายพอนึกถึงก็มาธรรมโมธรรมะคือสติก็เกิดขึ้นทันทีเห็นปะมันมาด้วยกันเรานึกถึงธรรมโมธรรมโมนี่เราก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นๆอะไรมาแทรกเลยนะมันไม่จริงเดี๋ยวก็คิดเรื่องงานพร้อมๆกันไปกับนึกกับมาพุโทโธนั่นแหละอลองดูดิ นึกออกมาทำโมทำโมแล้วก็นึกภาพที่ว่าเราจะเดินทางไปไหนพูดกับใครยังไงด้วยมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในหัวเรานี่แหละมันจะไปทางอะไรกันกับได้ยินเสียงอะไรเสียงสูงเสียงต่ำเสียงร้องเสียงเล่นเสียงอิเล่นโตรเสียงเบสเ ส, เสียงกีตาร์ก็มาพร้อมกันในหูเราเนี่ยได้ยินเนี่ยหรือรสอาหารเนี่ยเอาคุณกินส้มตามจานหนึ่งมันหวานป่ะเออมีนิดหน่อยนะ ถ้าเขาใส่มะขามเปียกเฮ้ยมะขามเปียกมันเปรี้ยวนี่นะเออเปรี้ยวด้วยแล้วก็ใส่มะนาวอีกเปรี้ยวมันมีหลายอย่างมันทั้งเปรี้ยวมันทั้งเผ็ดมันทั้งหวานอยู่ในจานเดียวกันคำเดียวกันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีหลายอย่างพร้อมๆกันได้อายตนะหนึ่งอายตนะหนึ่งเนี่ยเหมือนกันอายตนะคือใจมีความคิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันพร้อมกัน ได้คำที่เราคิดนึกไว้ในใจท่องไว้ในใจว่าทำโมตำโมันกอยู่ในใจจะมาเป็นเจตนาในใจมันก็ยังมีความคิดนึกอหนื่นแทรกผ่านเข้ามาได้เราตั้งสติไว้เนี่เพื่อให้เห็นเพื่อให้แยกแยะได้ทำไมเรารับประทานอาหารคำหนึ่งช้อนหนึ่ง เรารู้ได้ว่าเอ่นี่มันเปรี้ยวพร้อมกับหวานแล้วก็พร้อมกับเค็มแล้วก็มีขมประเลมปแะเ ล, ม ป, ะเลมปนมาด้วยได้เพราะเราตั้งจอจิตของเราไปในอิจตนะทางนั้นไงคุณตั้งจอจิตของคุณไปในอิจตนะทางนี้รายละเอียดอะไรต่างๆมันปรากฏขึ้นมาจากอิจตนะนั้นๆั้เช่นเดียวกันตอนนี้เราตั้งจิตจ่อมาอยู่ในอิจตนะคือใจในคําพูดที่ ตั้งไว้ว่าคือธรมโมธรมโมธรมโมเราจะเห็นอะไรละลายอย่างที่อยู่ในช่องทางใจมันจะแยกแยะแจกแจงเห็นได้ชัดเจนดูเห็นไหมอะไรมันก็มารวมลงที่นี่คุณบอกว่าอินสีทั้งหลายมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ จะเสียงมันก็เข้ามาสู่ใจจะกลิ่นผ่านจมูกก็เข้ามาสู่ใจจะรูปแสงภาพผ่านทางตาก็เข้าสู่ใจเสียงที่ว่าผ่านทางใจเนี่ยมันจะเข้าทางลิ้นเข้าทางกายไม่ได้ต้องเข้าทางหูเท่านั้นต้องเป็นช่องทางมันห้าอย่างนี่เรียว่าอินสี่ห้าอินสี่ในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางนั้นๆหูเป็นใหญ่ ในการรับแสงไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของตาตาเป็นใหญ่ในการรับแสงแต่จะไม่ได้ยินเสียงหูต่างหากที่เป็นใหญ่ในการรับเสียงตาต่างหากที่เป็นใหญ่ในการรับผ้าอินสี่ห้ประการคือตาหูจมูกลิ้นและกายจะเพิ่มไปให้มันครบก็เรียกว่าเป็นอินสี่6กประการก็ได้มีใจด้วย ใช้ก็เป็นใหญ่ในการรับสิ่งที่เป็นธรรมารมเป็นนามธรรมต้องหลายร่างกายของเราเนีประกอบด้วยอินทรีย์อย่างนี้หกประการบางทีพระพุทธเจ้าก็ยกมาห้าอย่างบางทีท่านก็เรียกเป็นหกอย่างความเข้าใจเหล่านี้คือธรรมะคือเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเวลาเราตั้งสติขึ้นจะ เริ่มเห็นสิ่งต่างๆเริ่มมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพราะมันจะแยกแยะออกจากกันได้ตั้งสติเอาไว้ตุกฝั่งอย่าเผลออย่าลืมคำว่าธรโมโอจมีความคิดนึกอื่นๆผ่านมาเสียงผ่านมาภาพผ่านมาเราไม่เผลอเปลินตามไปคุณรู้ได้ไงว่ามันผ่านมาขอมันก็มีการรับรู้สิเพราะทุกอย่างมันรวมลงเข้าสู่ใจใช่มละ กิดมาทุกอย่างนีคืออินทรีย์ทั้ง5อย่างอินทรีย์6อย่างเป็นช่องทางรับอะไรมาก็ตามนี่มันเข้าสู่ใจเราแล้วเรารับรู้ได้แล้วจะรับรู้ได้มันต้องมีวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมารมที่อยู่ในช่องทางใจของเรามีการรับรู้เกิดขึ้นจะมีการรับรู้ได้ต้องมีวิญญาณวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติคนละอย่างกัน สติแปลเป็นภาษาไทยว่าการระลึกได้บางคนก็เรียกว่าการระลึกรู้วิญญาณแปลเป็นภาษาไทยว่าการรู้แช้งหรือว่าการรับรู้เนี่ยพราอมันมีคําว่ารู้รู้รู้เนี่ยนะมันยิ่งจะงงสับสนถ้าเราไม่รัด ก, กุมรับครอบเพียงปอเออบางคนบอกว่าให้รู้นะให้รู้ตัวไว้รู้ตัวไว้ให้รู้เนี่ยมันรู้อะไรรู้สึกเหรอ ใครๆก็รู้สึกเท่นั้นแหละแต่ความรู้สึกนี่เขาเรียกว่าเวทนารู้แจ้งเหรอรู้แจ้งนี่ตั้งหมายถึงปัญญาเปล่าหรือหมายถึงแค่วิญญาณปัญญาก็เป็นการรู้แจ้งนะวิญญาณนี่มันก็มาจากรากัพท์เดียวกันแต่มันใช้คนละอย่างเลยหรือที่บอกว่ารู้รนี่คือระลึกรู้ระลึกรู้ก็คือสติแต่เป็นรู้แบบพูดโทนก็คือผู้รู้อีกต่างหากเราก็จะความรู้ความรู้นี่หมายถึงวิชา วิชาความรู้่ะหรือว่าเป็นความรู้ทางปริยัตท่องได้จําได้คำว่ารู้คําเดียวในภาษาไทยเนี่ยนะทุกังนะเวลาเราแปลออกมาแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าไอ้มันมาจากคําไหนในภาษาบาลีที่ต้องรู้ข้อนี้เออแล้วคือทาความเข้าใจกับคนละคำอีกนะเพที่ว่าจะได้ทราบถึงบริบทการใช้งานให้มันถูกต้องว่า มันมีความหมายอะไรยังไงในที่นี้วิญญาณต่างจากสติเป็นคนละอย่างกันเพราะวิญญาณคือการรับรู้อย่างทัมูฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเนี่ต้องมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของทัมบูฟังแต่ไม่มีโสตวิญญาณจะไม่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเลยแต่เพราะความที่ทัมูฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้า หมายความว่ามีโสตวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของธรรมฟังซึ่งมันต้องมีหูด้วยแล้วก็มีเสียงมาเป็นเหตุด้วยในขณะที่นรรมฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่นั้น<ๆ>ก็ไม่ลืมทำโมทำโมดูไหมล่ะก็นึกคำว่าทำโมทำโมขึ้นอยู่ในใจได้ทำโมก็เป็นความคิดอันหนึ่งเป็นธรมรมารมณ์อย่างที่สองที่มีอยู่ในช่องทางใจของธรรมฟังเอง นอกจากเสียงที่กลับไปแล้วความนึกถึงธําโมได้นึกถึงธรรมโมได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับที่มีคำว่าธรรมโมในขณะเดียวกันกับที่ได้ยินเสียงคือมีโสตวิญญาณมีผัานสะทางหูเกิดขึ้นแล้วพร้อมๆกันนั่นแหละแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้านึกถึงคําว่าธรรมโมอยู่มีสติอยู่กับธรรโม มีวิญญาณโสตะเกิดขึ้นเป็นภาษาแล้วบางทีมันมีความคิดนึกต่อไปอีกด้วยว่าเสียงนี้มันเสียงใครยังไงพูดเรื่องอะไรแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงคำนี้หมายความว่ายังไงคิดนึกปรุงแต่งต่อไปต่อไปนี่ที่เราเป็นมโนสังคาร์นี่นะอยู่ในช่องทางใจนะขณะเดียวกันก็คือที่นึกทำโมนั่นแหละอยู่ในช่องทางใจปรุงแต่งต่อมาเป็นอะไร啊 มันก็เป็นสัญญาสังขารอยู่ในไหนเนี่ยในช่องทางใจนั่นแหละเป็นสัญญาสังขารแล้วจิตมันก็ไปรับู้ก็มีมโนวิญญาณเกิดขึ้นอีกในช่องทางใจเนี่ยมันก็มีธรรมารมมีมโนวิญญาณมีสัญญาสังขารมีเสียงเป็นผัสสะโสตวิญญาณเข้ามาแล้วก็แตามีกลิ่นอะไรมาด้วยนะเข้ามาอีกรมกันเข้ามาในช่องทางใจ เรามันจึงมีหลายอย่างที่จะให้สิตของเราเน้นมันเปลอเปลินมันลุ่มหลงมันปลิวกระจายเหมือนลมพัดมานี่แหละลมพัดมาจากทุกที่ทุกทางเข้ามาสู่ในช่องทางใจแล้วนี่ถ้าบอกว่าในช่องทางใจเราไม่มีการจัดระเบียบนะมันจะวุ่นวายมากดูชีวิจิตของคนที่เขาวุ่นวายนี่ฟุ้งซ่านวุ่นวายสับสน มันออกมาทางคําพูดออกมาทางกายเราดูเห็นได้ยินได้ว่าไอ้คนนี้แม่งเออทําไมมึนเนี่ยเนี่ยข้างในนี่ประสาทหรือเปล่าโอยอย่าไปพูดถึงเขาเลยตัวเราเองอะ่ะข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไม่มีการจัดระเบียบนะปลิวจนเปรียบใบเหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางไว้บนพื้นที่เรียบๆจะมีลมพัดมาจากทางที่ตะวันตก เจ้าปุยนุ่นปุยฝ้ายนี่มันก็ชูดูกไหลเคลื่อนพัดไปทางที่ตะวันออกแต่มีลมมาจากทางทิศใต้เจ้าปุยนุ่นปุยฝ้ายนี่มันก็จะถูกพัดไปทางทิศเหนือนี่คือไปตามกระแสลมและถ้าอยู่ในน้ํานะก็จะถูกพัดไปตามกระแสน้ําเหมือนกันว่าน้ํามันจะไปทางไหนสิ่งนี้มันก็จะถูกพัดไปทางนั้น จิตใจเราตอนนี้ตัมบฟังผูกกระแสของภาพผ่านทางตากระแสของเสียงผ่านทางหูกระแสของความคิดนึกธรรมารม่านทางใจซัดเข้ามาอยู่ตลอดซัดเข้ามาอยู่ตลอดบางทีเราไม่อยากต้องการได้ยินเสียงอะไรมันมีเสียงหูมันพิกลมันได้ยินขึ้นทันทีบางทีเราไม่ต้องอยากจะคิ ด, ดเรื่องนี้แต่มันมีธรรมารมความคิ ด, ดเรื่องนี้เกิดขึ้น มันก็ซัดเข้ามาทันทีซัดเข้ามาทันทีกระแสะที่ซัดมาพัดมาอย่างเชี่ยวกราดในทุกวังมันก็เป็นกระแสะของตันหาด้วยเพราะว่าโลกนี้ถูกยึดโยงด้วยตันหากระแสะที่พัดมาผ่านทางหูเป็นเสียงผ่านทางลิ้นเป็นรสมีตันหาแทรกมาในกระแสะนี้ด้วยตลอดเลยตลอดเลย พระพุทธานี่จึงกล่าวว่าโลกเนี้ยถูกกระแสของตนานีพัดไปอยู่พัดไปอยู่เ ป, ปรียบเหมือนคนที่กําลังลอยอยู่บนปื้นน้าลอยอยู่ในน้ำเนี่ยนะแล้วก็ถูกกระแสของแม่น้ําพัดไปพัดไปถ้าจะแบบคิดนะ่ะเออถูกพัดนี่ดีดี ด, ดีเล่นสนุกดีคือคนที่ถูกพัดไปนี่ยเพลินอยู่ไงเพลินอยู่ในกระแส คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเรื่องสนุกมันก็น่าสนุกจริงๆนะถูกเปล่าคุลงไปเล่นน้ำน้ำกพ็พัดไปพัดไปเต็ดไปพัดไปนะ่มันเลยไปเรื่อยๆนะเลยไปเรื่อยๆออ้าทำไมตรงนี้เริ่มละมีน้ําบนละกระแสมันเริ่มแรงและพัดนิ่มบางทีก็โดนตัวเราให้ไปชนกับแก่งหินมีน้ําบนมีน้ําเชี่ยวและจากข้อมูลที่ได้ตรวจสอบมานะมีคนก็ตะโกนบอกเนี่ย น้่นนะ่ะมียักษ์ขมูขียักษ์น้ําหมายถึงผีเสื้อสมุทรคือรากศกอยู่ข้างหน้านะแล้วตรงนั้นต่อไปเป็นน้ําตกลงไปนะเฮ้ยมันจะไปจริงได้ไงตัวนี้มันก็ยังไหลแบบธรรมดาๆอยู่เนี่ยจริงๆจริงๆมีคนบอกอยู่มีสายรายงานมาคนนี้ก็อยู่บนฝั่งก็ตะโกนบอกว่าตรงนู้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เห็นหลอกดูกระแสน้ำพัดปาอยู่ เราจึงต้องพยายามไงทูฟังพยายามด้วยมือและเท้าว่าวเข้าฝั่งให้มันได้บางคนนีแช่น้ําอยู่ในจนมือเท้าเปื่อยแล้วเราถูกกระแสของตันหานี่พัดพามานานแล้วทูวังมานานแล้วเราเจอกจากกระแสนี้อย่าเปลออย่าเปลินแต่ให้มีความระลึกได้ให้มีสติ ในที่นี้เราเริ่มตั้งไว้อยู่ครับธรรมโมธรมโมธรามโมอาจจะมีคำอื่นเผลอแทรกขึ้นมาไม่มีปัญหาพรามันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นชินมันมาได้แน่นอนเป็นธรรมรมันหนึ่งตอนนี้เราใช้ธรรมรมอันนี้คือธรมโมขึ้นเป็นที่ตั้งที่เราลิกถึงสติก็จะมีกำลังขึ้นมาได้ พอเรามีกำลังคือสติจากความเพียนที่เราใส่ลงไปอินรีย์อีกในยะหนึ่งมันก็ปรากฏขึ้นมาทันทีทุกฝังอินทรียในยะที่สองนี้ได้แก่อินทรีย์คือสติเอาแล้วอินทรีย์คือสติมันทําไมเป็นอีกชื่ อ, อเรียกหนึง่งไม่เหมือนกับอินทรียคือตาหูจมูกร่างกายและใจอินรีย์อันนั้นนันหมายถึงช่องทางนั้นหมายถึงอิจตนะ ทั้ง5ทางบ้าง6กทางบ้างอินทรีย์อันนี้ที่เรียกว่าอินทรีย์คือสติเป็นอินทรีย์ที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังมีกำลังในการที่จะควรกระแสของอินทรีย์อันนั้นอินทรีย์คือสติจะเป็นกำลังให้จิตของเราสามารถต้านทานทวนกระแส ของเสียงผ่านทางหูของรูปผ่านทางตาของความคิดนึกคือธรรมารมผ่านทางใจซึ่งเป็นกระแสะที่พัดมาเป็นกระแสะของตัณหาถ้าเราไม่มีสติไม่มีความเพียรคุณจะต้านคุณจะทวนคุณจะสวนกระแสะอินรี่หกอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้นอกจากสติจะช่วยแล้วความเพียรด้วยแล้ว ศรัทธาสมาธิและปัญญาก็เป็นกำลังเป็นอินทรีย์เป็นความยิ่งใหญ่5้าอย่างที่จิตต้องมีเพื่อที่จะสวนทวนกระแสของอินทรีย์หกอย่างอินทรีย์ห้าอย่างนั้นได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ในขณะที่เราตั้งสติขึ้นนี้ท่านฟังจิตมีกำลังนะจิตมีกำลังกำลังเนี้เขาเรียกว่าพละเป็นพละกำลังจะเรียกว่าเป็นกาลังก็ได้จะเรียกเป็นอินทรีย์ก็ได้อินทรีย์แปลว่าความยิ่งใหญ่ความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของจิตคืออินทรีย์ที่จะทำให้จิตนั้นทวนกระแสะของต่างหูจมูกรินกายใจได้ นั่นคือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญากำลังของจิตนั่นคือพะละที่จะให้จิตนั้นทวนกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้นั่นคือพะละได้แก่ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเดียวเรียกว่าเป็นอินรีก็ได้จะเรียกว่าเป็นพะละก็ได้อินรีหมายถึงความเป็นใหญ่พะละหมายถึงกำลัง ของอะไรของจิตทำไมนะเพื่อให้มันรับมือกับกระแสของตัณหาที่พัดมาผ่านทางช่องทางตาในรูปลักษณะของแสงของภาคเพื่อให้รับมือกับกระแสของตัณหาที่จะมาทางช่องทางจมูกในรูปของกลิ่นที่รับเข้ามารับก็ามาเพื่อให้จิตครานั้นรับมือกับกระแสของตัณหา ที่ผ่านมาทางช่องทางใจในรูปของธรรมารมที่พัดเข้ามาพัดเข้ามาเป็นปัสสามาเป็นกระแสมาจิตของเราถ้าไม่มีอินสียห้าไม่มีพละหา้ามันจะเหมือนปุ๋ยนุ่นปุ๋ยฝ่ายแต่จิตของเราถ้ามีอินสียห้ามีพละหา้าจะเหมือนเสาหินที่มีความยาวสิหศอก เส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งอกเป็นเสาหินทั้งแท่งฝังลงไปในพื้นดินแปดซอกโผล่ขึ้นเหนือพื้นดินแปดซอกทำมุม90้าสิบองศากับพื้นดินเป๊ะพอดีถมดินตบดินให้แน่นรอบๆอบลมมาดิมาจะพัดมาจากทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวัน อ, ออกทิศตะวันตกเสานี้นิ่ง ไม่ไหวติงเลยภาษาอีสานก็เลยนิ่งอิงติงไม่ติงไปไหนพอให้เอาช้างมาผูกรับช้างมาผูกไว้กับเสาโอ้ยช้างเงือแตกก่อนเลยมันไม่ไปไหน่ะมันนิ่งเลยความที่จิตของเราจะประกอบด้วยศรัทธาวิเยศติสมาธิปัญญาจิตเนียมจะมีพลังแบบนี้ พลังในที่นี้คือปละพอตั้งสติขึ้นนะยินรียห้ทุกอย่างมันมาพร้มกันเลยนะทุกวังมันมาได้ยังไงอา้าคุณจะมาตั้งสติแต่คุณก็ต้องใส่ความเปลี่ยนดูบปละทำจริงแ น, แน่แน่จริงเอาใจจดจ่อที่พูดมานี่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราเอาใจจดจอยอยู่กับธรรมโมการเอาใจจดจอ่อมันต้องใช้กําลังจิตกําลังตัวนี้คือความเพียนเป็นลักษณะที่เรา ใส่กำลังใจของเราลงไปตั้งใจลงไปดจดจ่อลงไปความเปลี่ยนคือวิริยะก็มีความหมายจากความกล้าด้วยมีความหมายในการทำจริงแน่แน่จริงด้วยกุศลธรรมคือสติก็เพิ่มขึ้นอ่กกุศลธรรมคือความเปลือเปลินก็นลดลงลักษณะที่ความดีเพิ่มความชั่วลดสติเพิ่มความเปลินลดลักษณะนี่คือการทาความเพียน โดยตรงแล้วเลยไม่ใช่เป็นลักษณะการอ่อนวอนขอร้องบอกว่าเออสติจงเกิดสติจงเกิดแต่ทำจริงอะ่ะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าดูอยู่นั่นแนหะคนก็าขี่จักรยานยังไงอยากจะขี่เป็นตัยเองขี่ไม่เป็นแต่ไม่ยอมขึ้นจักรยานสักทีดูอยู่นั่นแ่ะส่องอยู่นั่นแะแต่ว่าขึ้นเลยกระโดดขึ้นจักรยานขึ้นลงมือทำเลยการลงมือทำนั่นหละคือความเพียรลงมือทาตรงไหนจออยู่ครับ โม่ดิจดจ อ, จอลงไปเนี่ยมันคือสติตั้งไว้สังเกตขึ้นแล้วมีสติก็มีความเปลี่ยนอยู่ด้วยแล้วการที่ถ้าคุณจะจำลงมือทําได้นะมันต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งคือไม่กลัวนะถ้ากลัวเนี่ยมันลงมือทําไม่ได้ทุกเวละคืออาจจะมีความกลัวอยู่แต่ก็มีความกล้า ด, ด้วยนะความกล้าที่มีแล้วก็ลงมือทาต่อให้จะกลัวก็ตาม มันต้องเกิดจากความมั่นใจระดับหนึ่งความมั่นใจตรงนี้นั้นนะั่นน่ะคือศรัทธามาด้วยแล้วเลยมีสติลงมือทําพยายามให้จิตมันตั้งขึ้นศรัทธามันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้าคุณจะลงมือทําได้ต่อให้มีความกลัวให้มีความไม่มั่นใจยังไงก็ตามอ่ะมันก็ยังมีความมั่นใจบ้างอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ลงมือทํารูปะะ้ปล่าล่ะในความมั่นใจที่มีบ้าง มากก็ตามน้อยก็ตามหนึ่นคือศรัทธาศรัทธาตั้งไว้ลงมือทําจริงแน่วแน่จริงจะเกิดการตั้งใจตั้งจิตขึ้นได้นั่นคือสติเพราะมีสติคือความรู้ทึกได้จิตแทนที่มันจะเผลอเปลินไปตามสิ่งต่างๆจะไม่ถูกวางพอเราตั้งเสาขึ้นแล้วนี่ความเพลินก็ลดลงความที่จะเผลอไปก็ลดลง จิตที่มันจะไหลไปตามช่องทางหูไปกับเสียงจิตที่มันจะไหลไปทางช่องทางใจไปกับธรรมารมหรือช่องทางตาไปกับภาพนี่มันจะลดความเบลนเบล์ไปทางนั้นลงจิตก็จะมีความอะไรก็จะระ ง, งับลงโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติจิตที่ระ ง, งับลงโดยอัตโนมัติอัตโนมัติ เราเราตั้งสติขึ้นไว้มันจะมีถึงจุดหนึ่งที่มันจะมีความเรียบเรียบมีความสงบสงบความสงบสงบเรียบเรียบตัเนี้ยนั่นคือสมาธิสมาธิก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราก็ตั้งสติขึ้นเอาไว้มีสมาธิเป็นผลเตนบอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำมสมาสมาธิให้เกิดขึ้นหรอเออนี่ได้แน่นอน เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นฐานะที่จับเป็นได้ที่เป็นได้นั้นเพราสติทําให้จิตไม่เปลี่ยนไปตามช่องทางไปตามอินทรีย์ทั้งหอย่างนั้นความระ ง, งับลงได้นี้ก็เรียกว่าอินทรีย์ของจิตเป็นพลังของจิตเป็นพละของจิตที่คือสติเป็นพละของจิตเป็นกําลังของจิตที่คือสมาธิอินทรีย์ห้านี้ นี่คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีสมาธิจิตเป็นอารมณ์เดียวความเข้าใจบางประการมันจะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังความเข้าใจบางประการนั้นคือปัญญาเข้าใจบางประการว่าอะไรใ่านผู้ฟังทำสมาธิจิตสงบลงนี่มีความเข้าใจอะไรมีปัญญาว่าอะไรคือการที่เราไม่เปลิ่ไปตามอะไรนะ ที่เราไม่เพลินไปตามอะไรก็ตามเนี่ยนะทําให้เราเห็นสิ่งนั้นที่มันมาผ่านทางลิ้นผ่านทางตาผ่านทางใจก็ตามเนี่ยเพราะเราไม่เพลินไปตามปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมันตามเนื้อผ้าของมันจริงๆเข้ามาอีกอนถ้าสมมติเราเพลินไปในเรื่องอะไรเราชอบไปในอะไรอุ้ยแน่นอนเลยมันมีความลำเอียงถ้าเราไม่ชอบไปในอะไรอุ้ยแน่นอนมันมีนมอคติจะมีความลำเอียงมีอคติ จริงๆความลเมียงก็คืออาคติอย่างหนึ่งอะไรอคติไปนในทางชอบใจหรืออาคติไปนในทางไม่ชอบใจถ้าชอบใจแล้วมันก็จะเห็นแบบว่าแต่ข้อดี Ben นฟิต gratification ความดีความงามของสิ่งนั้นมากขึ้นเกินกว่าประมาณไอข้อเสียข้อไม่ดีข้อควรระวังมันก็จะไม่เห็นหรือว่าลดลงเกินกว่าความเป็นจริง ขณนะผู้คนมีอคติแล้วไปในทางชอบใจมีความลําเอียงละหรือถ้าไม่ชอบใจสิ่งเนี้ยโอ้สิ่งนี้จะไม่เอาไม่เอานั่นก็คือความเพลินแบบหนึ่งนะเพราะว่าตัณหาความทยานอยากนี่มันมาในรูปของการปฏิเสธก็ไดไ้ฉันไม่อยากฉันไม่อยากไม่อยากมันคืออยากในความไม่เป็นสิ่งนั้นไงมันก็เพลินเหมือนกันนะก็เป็นตัณหาเหมือนกันกระแสดเดียวกัน เราไม่อยากในอะไรเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียของมันอันนี้ก็ไม่ดีตีเตียนนั่นนี่หาข้อผิดคนนั้นคนนี้โอ้ยความดีก็ต้องเยอะแยะไม่ได้นึกถึงเลยมันเห็นนิดเดียวไงพราะอะไรมีอคติแล้วเผลอเพลิลนลุ่มหลงไม่ว่าทางบวกหรือทางลบมันจะเห็นแบบนี้แต่พอนะเราไม่เผลอไม่เพลินไม่ลุ่มหลงตามไปใช่ไหมพระอะไร เพราะเรามีสติไงพอเรามีสติอยู่จีตสงบระงับลงพอไม่เปลี่ยนไม่เลยไปแล้วเราก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันจริงๆว่าสิ่งอะไรก็ตามข้อดีก็มีข้อเสียก็มีดีมีน้อยบ้างมากบ้างเสียมีมากบ้างน้อยบ้างทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดความรู้ความเข้าใจบางประการตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเราเห็นบ้างไง เห็นชัดเจนขึ้นบ้างนี่มากบ้างน้อยบ้างในการเห็นชัดเจนขึ้นไดน้นี้นั้นนั่นนะ่ะคืออะไรปัญญาเป็นปัญญาอินทรีย์เป็นปัญญาภละเป็นอินทรีย์คือปัญญาเป็นพละคือปัญญาอยู่ที่ไหนจิตของเราเกิดขึ้นได้เพระอะไรเป็นสมาธิรวมกันอยู่นิด น, นึงเหมือนซุปหม้อใหญ่ ที่มีส่วนประกอบต่างๆเครื่องปรุงต่างๆอาหารต่างๆภากต่างๆอยู่ในนี้ทีตของเราเนี่ยให้มันมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาชุ่มอยู่แวดล้อมอยู่มีกำลังอยู่ไม่วันไหวไปตามกระแสลมพัดมาทางเหนือทางใต้สบายเป็นเสียงเป็นภาพไม่มีปัญหา เป็นความคิดนึกก็โอเคศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาตั้มฝังเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติของเราไว้พอสงบลงสงบลงแล้วนะบาอทีความคิดนึกอะไรต่างๆนี่มันหายไปนะมันไม่มีกระแสลมพัดมาละนิ่งๆเฉยๆตั้งแต่เคยเรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเอาสัตว์หชนิดมาผูกไว้กับเสานี่ตอแ น, นมนก็ดึงไปมันจะหนี ลิงก็จะเข้าป่าชัลเลเตก็จะลงน้ำงูก็จะเข้าจอมปลวกสุนักกิ้งจอกก็จะไปป่าชาสุนักบ้านก็จะไปป่านกก็จะบินขึ้นฟ้าแต่และตัวมีที่หากินที่อยู่ของมันมันก็จะไปคนละทางพระทิตเสาเนี่ก็จะได้รับแรงดึงแต่พอมันดึงไปดึงไปมันไปไม่ได้เหนื่อยอ่อนแรงลงมันก็จะหยุดดึงเสาก็ไม่ต้องรับแรงดึง สัตว์เหล่านั้นก็ยืนเจา้านั่งเจา้าอยู่เแ่านั้นไปไหนไม่ได้ความที่มันนิ่งลงแล้วเนี่ยนั่นคือสมาธิทําไม่บางทีคาพูดอะไรต่างๆแม้แต่คำว่าทำโมทำโมมันก็หายไประงับไปนั่นแหะรักษาไวให้ดีรักษาสติรักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาวิริยะความเพียรรักษาศรัทธาไวให้มีกาลังอยู่ในช่องทางใจของเรา ข้อเสียนะธรรมฝังข้อเสียของอินสียห้าอย่างนี่มันก็มีคือความที่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่ว่าเรามีศรัทธามีพละกำลังคือสมาธิมีสติอยู่เนี่ยแมมถ้ามันสร้างให้มีแล้วมันอยู่เหมือนตึกเนี่ยนะคุณสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็ใช้ไปสักสิปียี่สิบปีตึกบางแห่งในสามสิบห้าิปีแล้วก็ยังอยู่เนี่แมมันก็จะดีหรอ อย่างไรก็ตามตึกพวกนั้นมันไม่ได้จะอยู่ดีตลอดนะมันก็จะเสื่อมโทรมมันก็มีการเมนเทนเนนซ์มีการดูแลกันบำรุงรักษาถ้าเราสร้างสมาธิสร้างอินทรีย์หนี้ให้มันมีดีอยู่ได้ตลอดแล้วถ้ามันอยู่ตลอดเลยเนี่นะแม้มันจะดีมากแต่มันไม่ไงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีความไม่เที่ยงของมันอยู่อินทรีย์หนี้นั่นคือข้อเสียของมันหรอวังความที่มันไม่เที่ยงเนี่ เป็นข้อเสียของอินทรีย์หาเป็นข้อเสียของธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยละก็จริงปะละ่ะมันไม่เที่ยงถ้าสติอย่างเงี้ยปัญญาอย่างเงี้ยสมาธิอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่เดี๋ยวนี้มันเกิดมีขึ้นมานั่นเองอะมันไม่เที่ยงอะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสติความเพียรศรัทธาเรื่องหนักเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันที่เราตั้งเอาไว้พอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วเกิดขึ้น นินแล้วมันไม่เที่ยงทันทีไม่เที่ยงแต่ต้องทำให้มากๆไงไม่เที่ยงแต่ต้องเจริญให้มากๆไงไม่เที่ยงแต่ต้องทำบ่อยๆนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีเกิดขึ้นบางอย่างไม่เที่ยงนะแต่ถ้ามันเกิดนี้ต้องรีบทำให้มันดับอย่างเช่นตันหายนี้เหมือนกันปัญหาเหมือนกันกับสติก็ตรงที่มันไม่เที่ยงแต่ตัญหานั้นปราบผู้รุ่เช้าให้ทาให้มันหายไปกาจัดมันออกไป ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วต้องรีบตัดออกต้องรีบละออกแต่สมาธิสตินี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีต้องรีบทาให้มันมีนะต้องพัฒนามันขึ้นมานะนี่ท่านแยกแยะตรงนี้เอาไว้ให้ว่ามันไม่เหมือนกันนะที่เหมือนกันน่ะเหมือนกันที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราต้องละกาจัดเจ้าตันหา เราต้องทำสมาธิสติให้มีมากขึ้นต่างกันตรงนี้ต้องรู้จักแยกแยะแยกแยะด้วยอะไรสติอินรียห้คือสัจธารวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะไม่เหมือนกับอินรียหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนละบริบทคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอินรี่ห้าอันไหนอินรียหกอันไหน เราทำความเข้าใจให้ดีให้รักกุมให้ลึกซึ้งนี่จะมีประโยชน์จะเกิดความชัดเจนจะมีปัญญาขึ้นได้อินทรีย์ที่ว่าห้าอย่างนี้คือศรัทธาเป็นต้นปัญญาเป็นที่สุดนั้นจะเรียกว่าเป็นภะละก็ได้ภละคือกําลังของจิตอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของจิต กำลังของจิตที่ว่าเป็นพล ะ, ะนั้นก็มีห้าอย่างความเป็นใหญ่ของจิตที่เราอินซีนั้นก็มีห้าอย่างห้าอย่างคือแต่เป็นพละก็เป็นศัทธาพละวิริยพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละความเป็นใหญ่ห้าอย่างที่เราอินซีนี้ก็คือสัทอินซีวิรยิยอินซีสติอินซี สมาธิยินซีแล้วก็ปัญญินซีเฮ้ดูดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันนะก็ห้าอย่างเหมือนกันเอาแทำไมมัต้องเรียกชื่อต่างกันความต่างกันมันก็มีความเหมือนกันมันก็มีท่านฟังใช้ปัญญาของเราใคร่ครวนท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแม่น้ำสายหนึ่งที่มีน้ำพัดพ่ามาพัดผ่ามาในจุดหนึ่งของแม่น้านั้นมีเกาะกลางแม่น้า เกาะกลางแม่น้ํานี้ก็ทำให้กระแสของน้ําที่พัดมานี่มันต้องแยกออกสมมติว่าแม่น้าพัดมาจากทางที่ตวนตกไหลไปลาดไปเอียงเทไปทางที่ตนออกมีเกาะกลางแม่น้ําอยู่จุดหนึ่งในสายของแม่ น, มน้ํานี้ที่เกาะกลางแม่น้ํานี้น้ําก็จะแยกไปทางด้านเหนือ ตัวหนึ่งของกระแสก็แยกไปทางด้านใต้น้ำไหนอยู่ทางด้านบนบนของแม่น้ำหน่อยมันก็ไปตามกระแสทางด้านบนด้านเหนือน้ำมันไหนมันอยู่ใกล้ๆทางด้านใตน้ด้านล่างหน่อยมันก็ไปตามกระแสของด้านล่างก็ะกลางแม่น้ำที่ตั้งอยู่นั้นก็จะแยกกระแสของน้ำไปทางบนหรือเหนือไปทางล่างหรือใต้ จากแม่น้ำที่พัดจากที่ตะวันตกไปตวัวนออกก็เป็นสายหนึ่งจากแม่น้ำที่ดูจากเกาะตรงกลางนี้ด้านบนก็มีด้านล่างก็มีก็เป็นสองสายแม่น้ำสายเดียวทํามเป็นสองสายเอ้ามันมีเกาะกลางอยู่แล้วถ้าเกาะกลางนี่มันใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นแผ่นดินอย่างงี้เอ้ามันก็กลายเป็นแม่น้ำสองสายไปบองทีก็เรียกคนละชื่อไป อย่งที่จังหวัดวคนครสวรรค์อย่างเงี้ยแม่น้ําปิงใช่ไหมกับแม่น้ํายมที่มันมารวมกันเราก็ก็เรียกชื่อใหม่ขึ้นมาอันนี้คือรวมกันจากสองกระแสเป็นหนึ่งหรือว่าตอนที่มันแยกกันจากนี่ภูเขาฮิมาลัยนี้โอ้หิมะมากเลยน้ําก็ละลายมาจากภูเขาไหลมาไหลมามันแยกออกสายหนึ่งก็ไปเป็นต้นกับแม่น้ําแยงซีเกียง อีกสายหนึ่งก็ไปเป็นต้นของแม่น้ำโขงเอาจากสายเดียวกันนะแยกออกมาน่นไปประเทศจีนแยกออกมานี่มาเมืองไทยมากัมพูชาสองสายแยกกันจากสายเดียวเหมือนกันเตาฝังกลับเข้ามาสู่ในจิตใจของเรากลับเข้ามาสู่ในจิตใจของเราในจิตใจของเราที่ว่าเป็นศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากกันที่เราตั้งสติเอาไว้ สองอย่างก็เป็นอย่างเดียวก็เป็นอย่างเดียวอย่างที่มันเป็นอย่างนี้แหละมัดรวมกันห้าอย่างก็เรียกว่าเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวในการที่ทำจิตของเราให้มีกำลังกำลังในที่นี้คือพลระท่านหมายเอาถึงภลระกำลังที่เราจะพวนกระแสของตนาที่จะให้เรารักษามรรคคือทางองค์ประกอบประเสริฐ8อย่าง อยู่ได้ต่ไฟังลองคิดดูนะว่าอเอาแค่เรื่องศีลธรรมดานี่เรื่องศีลธรรมดาธรรมดาเนี่ยน ะ, ะเราก็ไม่พูดโกหกไม่ขโมยของใครไม่ดื่มเหล้าไม่ทำประพฤติผิดจาริตประเพณีทางการอะไรต่างๆใช่ปะศีลห้าเบสิกธรรมดาแต่ว่าทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันมีโอกาสให้เราได้ต้องผิดศีลตลอดเวลาระหว่าง ตลอดเวลานะครับอย่างทุกคําพูดที่เราพูดออกไปเราพูดโกหกก็ได้อคุณจะทํำไหมละ่ะเออมีเหตุให้ต้องแบบว่าแหมมันอยากพูดโกหกหรือในบางวันบางทีมันเกิด่มีโอกาสให้เราพูดปิดในการนั่นคุณจะทํำไหมละ่ะหรือคุณไปร้านซื้อของยามันมีโอกาสที่ใช้ขโมยได้ตลอดเวลาคุณจะทำไปมละ่ะมันมีโอกาสที่เราได้ปิดศีลตลอดเวลาแต่ทําไมเราไม่ทําอ่ะ เฮ้เพราะฉันก็รู้ไปชอบชจ้าดีฉนรู้อะไรดีอะไรไม่ดีนั่นแล้วมันคือสตาคือความมั่นใจคือความเพียรคือวิทยาอยู่ในนั้นแล้วลักษณะจิตที่มีกำลังในการที่จะรักษาความดีของตนอยู่ได้คือศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสเนี่ยกำลังของจิตตรงนี้นั่นเราหมายถึงเอาพลักนีรักษาจิตให้มัน อยู่ในทางรักษาความดีของเร า, เาไว้ได้ไม่ถูกพัดไปตามกระแสแสดงว่าจิตนั้นมีพละกำลังพละกำลังในที่นี้คือพละห้าได้แก่ศรัทธาวิเดียสติสมาธิและปัญญาจะเป็นกำลังของจิตในการที่จะรักษาไม่ให้ถูกพัดไปตามกระแสของอะไรตันหาที่ผ่านมาทางช่องทางไหนก่อตาจะเป็นรูป ถ้าเป็นกระแสของตันหาถูกพัดมาผ่านทางช่องทางลิ้นมันก็เป็นรสอาหารเป็นรูปของรสเป็นลนักษณะของรสแต่เป็นกระแสของตันหาถ้ากระแสของตันหาผ่านมาพัดมาทางช่องทางใจมันก็จะมาในรูปของธรรมารมที่จะเป็นตันหาเป็นรูปนั้นลักษณะนั้นพัดมาให้ทำไมให้เราได้ลองปิดศีลให้เราต้องลงเสื่อมสมาธิให้เราไม่มีปัญญาคิดไม่ออกทำไม่ดี แต่เรามีกำลังรักษาไว้โดยสตาวิเอรยสติสมาธิและปัญญาจะให้เราไม่ถูกพัดไปตามกระแสกำลังตรงนี้คือพละหาเพราะฉะนั้นทุบฟังคนไหนที่ยังรักษาสีของตนเองและอย่างเป็นปกติเป็นธรรมดานี่นะคือคนนั้นผู้นั้นนี่มันมีพละหาอยู่ในจิตใจแล้วเอาเราเปรียบเทียบกับทุฟังกับคนที่บาบากทผิดอยู่เรื่อยทาผิดเป็นนิสัยนี่ ทำผิดนี้หมายถึงผิดศีลอยู่เรื่อยโกหกอยู่เรื่อยขโมยของอยู่เรื่อยเนี่ยนั่นคือจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่มีพละกำลังในการที่จะต้านกระแสทวนกระแสของความไม่ดีได้เลยไงมันอ่อนน่ยถ้าพละอ่อนศรัทธาเขาน้่พอความเพียรเขาไม่พสติเ ข, าข้าไม่พอเขาไหลไปเตรีมสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายๆปัญญาไม่เกิดมีมันก็จะเป็นมิจฉาปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉ า, าสมาธิได้นะประวัต กำลังของจิตมันน้อยที่จะทวนกระแสพละห้าหมันจึงต้องมีใช่ไหมมีพละห้าทวนกระแสแล้วส่วนถ้าเราใช้5้าอย่างนี้เข้ามาสู่จิตใจของเราใช่ไห ม, ามากับก็มาละคราวนี้ไม่ได้พูดถึงกระแสอะไรต่างๆภายนอกคือเรื่องของตัณหาปัดมามาละยินรียห้านี้ถ้ามันอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยนะแน่นอนมันอยู่แล้วมันจึงทวนกระแสของตัณหาได้ใช่ไหม ที่เราน้อมเข้ามาในจิตของเราในจิตของเราเนี่ยนะในจิของเรานเรานี่นะนจยจะบรรลุทำได้เร็วหรือได้ช้ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบห้าอย่างนี่แหละคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าห้าอย่างนี้อ่อนไม่แก่กล้าก็จะบรรลุทำได้ช้าถ้าห้าอย่างนี้มีกำลังมีความแก่กล้าก็จะบรรลุทำได้เร็ว เร็วหรือช้าอยู่ที่อินสี่ห้าอย่างนี้ทุกท่าเคยสังเกตเห็นเกาะกลางแม่น้ําหรือที่ว่ากระแสด้านบนอ่โอ้มากเลยมากเลยเกระแสด้านล่างเนี่โอ้นิดเดียวนิดเดียวเมันก็อยู่ใกล้กับฝั่งด้านล่างมากกว่าฝั่งด้านบนไงไอเ ก, กาะกลางแม่น้ํานี้ทาให้กระแสด้านบนมันทีมันมากกระแสด้านล่างมางทีมันน้อยใช่ไหมเช่นเดียวกันนะทุกคนที่มีห้าอย่างนี้เป็นพลัเนี่ยมากใช่ปะ าอาย่างสทาวเรียสติสมาธิปัญญามากเป็นพลักําลังเนี่ยเขาจะไม่ไหลไปตามกระแสที่พัดมาเป็นกิเลสต่างๆเนี่ยไม่ได้ไปง่ายๆแต่ว่าหมู่จะบรรลุทำได้ขั้นโสดาบันอนาคามีเนไม่ได้เพราะอะไรอินทรีย์มันน้อยเอามันก็ห้าอย่างเหมือนกันปะ่ะอาอย่างเหมือนกันแต่เกาะกลางมันตั้งอยู่มันไม่กลางไปไงเกาะกลางแม่นะ้ํามันค่อนมาทางด้านล่างหน่อยกระแส ด, ด้านล่างก็เบาหน่อย กระแสได้มันก็มากหน่อยสลับกันก็ถ่ายดูฟังซึ่งการพัฒนาตรงนี้มันไม่ยากถ้าตราบใดที่เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้วิริยะสัทธาก็พัฒนาได้ตราบใดที่เรามีสติตั้งเอาไว้สมาธิปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้เราก็ปรับเบาปรับอินทรีนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะปรับอินทรียนี่คือสัทธากับปัญญานี่มันปรับกันปรับอินทรีย์นี่ก็คือ สมาธิกับวิริยะเน่ยมันก็ปรับกันโดยมีสติเป็นตัวที่จะควบคุมการปรับการจูนในข้อนี้นี่คือไปในจิตใจของเราใช่ไหมแล้วถ้าเราไปใช้ภายนอกทุนกระแสต่างๆนั่นคือภละภละก็ต้องปรับเหมือนกันปรับคู่กันเหมือนกันเลยปัญญาภลระก็คู่กับสถาภาระสมาธิภละก็คู่กับวิริยะภละก็ปรับกันเหมือนกันปรับภาระปรับอินทรีย์แล้วเจ้าอินทรีย์กับภาระนี่ก็ปรับกันได้ด้วย หมาถึงปริมาณน้ําแท้มันไปอยู่ด้านบนหรือด้านล่างมากเสมอๆกันอ่ะมันจะดีมันถึงจ ะ, งจะฟโฟลไปได้กระแสน้นํานี้เราก็พัฒนาทางด้านนั้นๆขึ้นมาจินว่าอินสี่ห้านี่หมายถึงการที่เราจะรู้ตรัสรู้ปล่อยวางแรงต่างได้เร็วหรือชา้าพละหา้าเนี่หมายถึงการที่เราจะทวนกระแสของต่างหูจมูกลิ้นตั้งอยู่ในธรรมได้มากหรือน้อยตรงไหนมันอ่อนเราก็พัฒนาตรงนั้น จะพัฒนาได้เราใส่จิตใจเราจาะลงไปสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีการพัฒนาขึ้นมาจาไว้ทุฝั่ ง, งตั้งไว้ตั้งจิตรักษาจิตกเราไว้ให้ดีสติในี่จวเป็นตัวดีปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวมีความเหมาะสมเรามาฝึกสติกันในที่นี้โดยตรรมานุสติเริ่มจากการเจรรมธรรมโมเรามาไร้กลวนธรรมในเรื่องของภละห้า ในเรื่องของอินสี่ห้าอกรควรทำตรงนี้คือธรรมานุสติคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เรารักษาจิตที่ประกอบด้วยธรรมะเอาไว้ให้ดีตามฝังธรรมะที่มีปัญญาเป็นที่สุดมีศรัทธาเป็นตัวเริ่มประกอบด้วยความเพียรที่พระพุทธเจ้าจะได้มอบให้เราไว้ เรารับเอามาปฏิสถานไว้ในจิตใจของเราท่านมอบผ่านทางคำสอนเราเอาคำสอนนั้นมาทํามาปฏิบัติเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งความเพียรของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ที่จะเดินไปตามทางเดียวกันไปตามกระแสแม่น้ําเดียวกันนี่แหละ มันจะไปออกสู่ที่กว้างขวางคือทะเลได้ในที่นี้คือ น, นิพานเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างปรับอินทรีย์ป ร, บรับพละกราวให้สมดุลกันจะมิผ่านเป็นที่สุดจบได้ดูฟังและทีตันได้รับฟังจบไปนั้นคือการปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตตะวีเวก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุนที่ทางมูลิธิปัญญาภาวนารวมกับทางกรมประชสัมพันธ์จัดรายการโดยพระมหาไปบูณภพภิปุณโณท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันอคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้าในเครือข่ายของกรมประเสัมพันธ์หรือว่ามาทีก็ไปเปิดในช่วงเวลาต่าง และท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูนิีิคือ panya.org p-a-n-y-a.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็สามารถฟังได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบู์ญอาพี่ปุณโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลปัน